พระเนี่ยยิ่งแก่นะั้นก็เป็นวัยทํางานยังหนุ่มๆเมื่อวัยภาวนารู้สึกพระจะโตชาวประยมยมวัยเรียนหนังสือนะ่าถึง20หน่อยๆแล้วถ้าเป็นวัยทํางานไปถึง60สพระเนี่ยวัยเรียนไปถึงหกสิบแล้วถึงในวัยทํางานทําไมหลวงพ่อต้องไปเทศที่โน้นที่นี่กนะ็ต้องทนเหมือนกันนะเดินทางเยอะแยะ โดยธรรมชาติของหลวงพ้อนไม่ชอบยุ่งกับคนปกติชอบอยู่คนเดียวแต่ต้องทนหน่อยเพราะว่าทําไงจะเอาศาสนาเนี่ยไปสู่ใจคนให้ได้ใจคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละหรือถ้าเราเอาศาสนาไปฝากไว้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยศาสนาไม่มั่นคงพระพุทธเจ้าฝากพระพุทธศาสนาไว้กับบริษัทสีสส่แต่นี้เจ๊งไปบริษัทหนึ่งภิกษุณีไม่มี พยายามื้อฟื้นมันก็ทางเถราวาทก็ไม่ได้ยอมรับเหลือสมบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีจำนวนเยอะพระมีไม่มากพระน้อยลงเรื่อยๆคนมีการศึกษาดีๆมีอะไรนะนี่ก็ไม่ค่อยบวชพระจะอ่อนแอลงไปเยอะเลยถ้าธรรมาเข้ามาสู่ใจคารวาสอย่างพวกเราได้ธรรมาก็อยู่ได้นี่บางทีก็ไปมุ่ง สร้างวัตถุกันเยอะสร้างวัตถุเแต่พุทธศาสนิก็ชนร้อยลอเนี่ยต่อไปมันก็อยู่ไม่ไหวเนี่ยพวกเราแต่ละคนมีความสําคัญเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเราเองคนเดียวเท่านั้นแหะหรือครอบครัวงเราเท่านั้นแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะได้ดีเราได้ต่ออายุพระพุทธศาสนายิตราบใดยังมีคนคนหนึ่งเข้าใจธรรมะอยู่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ก็เรียกว่าศาสนายังไม่สูญไปถ้าไม่เหลือใครที่จะเข้าใจเลยก็สูญไปเพราะว่าศาสนาเนี่ยเกือบจะสูญเต็มทีแล้วเรานึกว่ามีมากย่งเมืองจีนเมืองญี่ปุ่นเมืองยวนอะไรมันไม่ใช่แล้วพระอยู่ไม่ได้จริงต้องทํามาหากินที่ยังมีอยู่ก็มีเมืองไทยเมืองลาวเมืองพ ม, ม่ามีลังกาพ ม, าม่ายังมีพระเยอะ เขาเรียนไปทางอภิธรรมซสเยอะเมืองไทยที่ว่าเป็นชาวพุทธ0ซจริงๆมีไม่ถึงมีไม่กี่เปอร์เซนต์เราเป็นพุทธแต่ชื่อชาวพุทธแท้ๆในเมืองไทยมีสักล้านหนึ่งหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยเงื่อนเกือบจะหมดแล้วนะคือถ้าพวกเราไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ใครจะรักษาใครจะสืบทอดต่อไปนี่หลวงพ่อเลยพยายามพยายามนะออกไป เทศที่นอนที่นี่ใครนิมนต์ไปก็ไปนะไปเท่าที่ไปได้แต่ว่าที่ออกไปแล้วก็พบอย่างหนึ่งนะว่าทุกวันนี้พวกเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติเนี่ยแม่นยามากขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนพอเราคิดถึงการปฏิบัติทำนะสิ่งแรกที่เราคิดหรือแทบจะเป็นสิ่งเดียวที่เราคิดคือการไปนั่งสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมคิดอยู่เท่านั้นคิดว่าการปฏิบัติมันจริงๆมีแค่นั้นทั้งที่มันเป็นส่วนอันเดียว ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าสมาธิมีสองชนิดเรยคิดว่านั่งไปเรื่อยๆทุกวันหนึ่งก็แจ้งไม่แจ้งหรอกส่วนมากที่พวกเราไปทํามันเป็นสมาธิพื้นๆสมาธิเพ่งอารมณ์มันไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าแท้ๆสมาธิเฉพาะชาวพุทธที่จะใช้เดินปัญญาชื่อลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยที่ไม่ได้รักษาไว้นะจิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไ ม, ไ, ไม่หลงไปไม่ไหลไป จิตนุ่มนวลอ่อนโยนเบาคล่องแคล่วว่องไวพูนเกีย่ยวกับการงานไม่ได้ไปซึมนิ่งๆิ่งหรือไปเพลินหวานแหววอยู่ที่ใดที่หนึ่งมีแต่ความสุขแล้เพลินเลินอันนั้นไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเลยตอนแรกๆที่หลวงพ่อออกสอนหลวงพ่อก็ไปบอกเรื่องสมาธิที่ทําอยู่มันไม่ถูกนะเอย่าไปทำมันมากเลยทําไม่ถูกหรอกคนไม่เข้าใจนะคิดว่าหลวงพ่อสอนว่าอย่าไปทําสมาธิ ที่จริงเราต้องทำสมาธินะทำให้ถูกเรื่องด้วยถ้าทำสมาธิจิดชนิดระหวังว่าจะเกิดมรรคผลนิพพานกี่ปีกี่ชาติก็ไม่เกิดหลวงพ่อก็เคยทำสมาธิแบบเพ่งอารมณ์นะอยู่ในอารมณ์ในความว่างความสว่างความนิ่งสบายเสียเวลาไป22ปีเงินพูดเต็มปากเต็มคำเลยมันไม่ใช่ทางหรอกมันก็เหมือนที่เจ้าชายศรษฐะไปเรียนจากอรรดาบทอรทกดาบทไปทาสมาธิว่างๆนิ่งๆไป แต่บารมีท่านมากนะท่านทําให้กี่วันแล้วก็ทําสําเร็จแต่ท่านพบว่าไม่ใช่ทางหรอกมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิชนิดนี้คนไม่รู้จักหรอกหายากนะในโลกนี้สมัยก่อนที่หลวงพ่อสอนใหม่ๆหลวงพ่อพูดเรื่อยๆตั้งแต่ยังเป็นโยมนะสอนเพื่อนสอนอะไรเงี้ยโลกเนี้ไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงไม่ได้แกล้งว่าเลยเป็นเรื่องจริง จิตของเราไม่ถึงฐานจิตของเราไม่ตั้งมั่นจิตของเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเวลาเราลงมือปฏิบัติจิตก็หลงไปอยู่กับอารมณ์เช่นไปอยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับท้องจิตมันเคลื่อนไปหมดเลยจิตไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูถ้าจิตตั้งมั่นได้ถูกต้องนะตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะนุ่มนวลอ่อนโยนเบาคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สืบไม่ทื่อรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วต้องเป็นไปโดยที่ไม่ได้บังคับ ถ้าจงใจใะไม่ใจะให้ตั้งมั่นนะจิตจะแข็งแข็งจิตจะแน่นแน่นหนักหนั ก, นกเครียดเครียดนั้นก็ไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลแท้เลยจิตที่มีสมาธิแท้เลยนะเป็นจิตที่เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรเกี่การงานเป็นจิตที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นจิตที่รู้อารมณ์ไปอย่างซื่อๆเรียกว่าอุชุกตารู้อย่างตรงตร ง, ต ร, งรู้ซื่อตรงะ ความโลภเกิดข <c oughs> ึ้นก็ร <c oughs> ู้ว <c oughs> ่ามีความโลภเกิดขึ้นไม่ได้อยากให้มันไม่เกิดหรือว่าเกิดแล้วอยากให้มันหายความโกรธเกิดขึ้นนะก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้ห้ามมันมาอยากเกิดอย่าเกิดเกิดแล้วก็แค่รู้แค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตที่มันซื่อๆอย่างเงี้ยความสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ดิ้นรนไปหามันนะมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ดิ้นรนรักษามันด้วยเนี่ยถึงจะเรียกว่ารู้ซื่อๆไปรู้อย่างที่มันเป็น เนี่ยจิตชนิดนี้แหละจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวรู้สภาวะทั้งหลายซื่อๆจิตใจนี้นะไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีราคาก็คือไม่ได้อยากได้อะไรไม่มีโทสะก็คือไม่ได้เกลียดอะไรไม่มีโมหะก็ไม่หลงไปนะไม่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราต้องพัฒนาจิตชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้นะ ถ้าเรามีจิตชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราถึงจะเห็นความจริงของธาตุขันของกายของใจได้การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆก็เพื่อสร้างสัมมาทิติสร้างความรู้ถูกสร้างความเข้าใจถูกให้เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่กับสมองด้วยงั้นอย่างเราเรียนปริยัตนะเรารู้ถูกตามทฤษฎี แต่จิตไม่ได้รู้ด้วยยังยังไม่เรียกว่าเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาหรอกไม่มีสมาทิฐิตัวจริงมีแต่ความจําความจําไม่ใช่สมาทิฏฐิแค่จําปริยัติได้ยังไม่ใช่สมาทิฐิแท้เราต้องให้จิตเนี่ยได้เห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกนะจนจิตยอมรับความจริงสัมมาทิฐินะเข้าสู่ใจของเราจริงๆรู้ความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจเนี่ยจิตจะรู้ความจริงของธาตุขันธ์กายใจได้ก็ต้องเห็นความจริงของธาตุขันธ์กายใจบ่อยๆ เห็นว่าจริงๆกลายเป็นยังไงเห็นว่าจริงๆจิตใจเป็นยังไงเห็นอย่างที่มันเป็นเห็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะฉะั้นอย่างแค่เราบังคับจิตให้นิ่ง่็แทรกแซงแล้สั่งจิตให้ดีควบคุมให้ดีจะทําให้มีความสุขจะให้อยู่กับความว่างสิ่งเหล่านี้แทรกแซงทั้งสิ้นเลยให้เรารู้อย่างที่มันเป็นถามว่าเรารู้ได้ไหมมันยากไหมที่จะรู้การที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ได้ยากอะไรโดยเฉพาะการรู้จิตใจถ้าเป็นเรื่องง่าย การรู้กายให้ถูกต้องเนี่ยยากเพราะว่าคำว่ากายนี่นะยังเป็นสมมุติบัญญัติอยู่ตัวที่ทะลุกายเข้าไปแล้วตเห็นตัวจริงของมันคือตัวรูปดูยากนะถ้าจิตเราไม่มีสมาธิพอที่ว่าดูกายดูกายนะเห็นแต่ร่างกายแต่ไม่เห็นรูปอย่างสิ่งที่ประกอบกันเป็นกายเราที่เป็นตัวรูปจริงๆนะคือธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิมากพอนะเราไปดูผมเราก็เห็นผม เราไม่เห็นดินน้ำไฟลมเราไปดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะเราก็เห็นขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราไม่เห็นดินน้ำไฟลมเราไปมองคนเราก็เห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเราไม่เห็นดินน้ำไฟลมงั้นการที่จะทะลุสมมติบัญญัติของกายนีย่เข้าไปให้เห็นธาตุแท้ของกายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยากจละต้องมีสมาธิมากพอในขณะที่จิตเนี่ยสภาวะทางจิตเนี่ยเป็นปรามาถธารรมล้วนๆเลยนะ นอกจากเรื่องที่คิดเอาเท่านั้นแต่ปัรดาความรู้สึกทั้งหลายของเราเนี่ยเป็นปรมัตทธรรมทั้งหมดเลยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูอะไรนี่เป็นปรมาทธรรมทั้งหมดเลยาการทำวิปัสสนาก็ต้องเห็นปรมาทธรรมพิ่งนี้นปรมาทธรรมของรูปดูยากดินน้ําไฟลมดูไปก็เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้ üg, อเองนกระดูกไม่ใช่ดินน้ําไฟลมเห็นแต่ผู้หญิงผู้ชายเห็นแต่คนเห็นแต่สัตว์ rained. เห็นแต่หมาเห็นแต่แมวเยอ่างนี้ไม่ใช่ดินน้ําไฟลมแต่ในขณะที่เราเห็นความสุขความทุกข์นี่เป็นปรมัตธรรมอยู่แล้วนะไม่ไม่ไม่ได้ดูยากอะไรนั้นการดูจิตดูใจบางคนว่าดูยากนี่จริงแสนจะง่ายเลยไม่ต้องใช้กําลังสมาธิมากมันเหมาะกับพวกเราซึ่งหาสมาธิไม่ค่อยจะได้วันวันพวกเราเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านเมื่อใจมันฟุ้งซ่านมากคิดมากกรระฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากพวกฟุ้งซ่านมากก็คือการดูจิต อันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองแ น, นอภิธรมรมเขสอนมาอย่างนั้นเองว่าจิตตานุปัตสนาหมอะกัพวกที่ถจริตพวกคิดมากพวกเราวันๆนะทางานแต่เรื่องต้องคิดไม่มีอะไรจะทำนะ <S 1> <1> <S เปิดโทรทัศน์มาดูข่าวดูอะไรก็มีแต่เรื่องต้องคิดเท่านั้ น, นดูหนังสือพิมพ์ก็มีเรื่องต้องคิดนะคุยกับคนก็มีเรื่องต้องคิดนั่งรถไปตามถนนนะมีป้ายโฆษณาเห็นแล้วยังต้องคิดเลยไอ้นี่ดีไม่ดีน่าซื้อไม่น่าซื้ออะไรนี้อยา ก, กาจะได้ทําไงจะได้อะไรย่างเงี้ยมีเรื่องต้องคิดเดยอะแยะเลย ใจเราไม่มีสมาธิมากพอที่จะไปดูกายหรอกเนื่อใจเราไม่มีสมาธิมากพอนะเราก็ต้องทํากรรมฐานที่พอเหมาะพอดีสําหรับคนที่สมาธิน้อยนะคนที่ฟุง้งซ่านเยอะก็คือการดูจิตดูใจเพราะมันดูง่ายพวกเรารู้จักอยู่แล้วว่าความโลภเป็นยังไงเรารู้จักอยู่แล้วว่าความโกรธความหลงเป็นยังไงความฟุง้งซ่านหดหู่เป็นไงพวกเรารู้จักดีใจเสียใจเป็นไงพวกเราก็รู้จักใช่ไหมอิจฉาพยาบาทเซงเบือ่อหน่าย เหี่ยวแห้งนะท้อแท้เห็นไหมท้อแท้กับเซ็งเหมือนกันไหมไม่เหมือ น, ก, นกังวลกกลัวเหมือนกันไหมแม้เราแยกได้ละเอียดยิบเลยนะละเอียดยิบเลยคนไทยบรรพบุรุษเรานี่เก่งมากเลยนะเรามีคำศัพท์ที่แยกย่อยความรู้สึกเนี้ยสองสาคำแยกได้เยอะมากเลยแสดงว่าบรรพบุรุษเราเนี้ยดูจิตเก่งมากเลยแจกแจงสงภาวะละเอียดยิบเลยแค่ดีกรีของความโกรธก็มีตั้งเยอะแล้วนะ โกรธมากโกรธน้อยใช่ไหมมีสารพัดเลยความเศร้าใจก็เป็นความโกรธอยู่ในตะกูลโทสะเศร้าใจกับคร่ําครวนเหมือนกันไหมก็ยังไม่เหมือนกันใช่ไหมเนื้อสารพัดศัพท์นะที่มันมีถามว่าเราพวกเรารู้จักไหมเซิงรู้จักไหมเซิงกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลาเนะื้อสารพัดที่จะรู้สึกจากสภาวะทางจิตใจละเอียดยิบเลยละเอียดมากๆเลยหน้าที่ของเราขณะนี้ก็คือ ขณะนี้ความรู้สึกอะไรกําลังปรากฏอยู่ในใจแค่รู้เท่านั้นแหนละไม่ใช่รู้ยากแต่ละเลยที่จะรู้ถ้าเราไม่ละเลยนะเราก็คอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจบ่อยๆฟังหลวงพ่อเทศแล้วอะไรฟังไม่รู้เรื่องงงงงรั่วกําลังงงนะฟังแล้วอุ้ยสนุกยังเลยสนุกรู้ว่าสนุกเนี่ยฟังแล้วก็ง่วงเมื่อเช้ามาแต่มืดเลยนะอยากมาฟังเทศนตั้งแต่เมื่อวานตั้งใจปลุกนาฬิกาปลุกไว้ ปลุกแล้วก็บนนาฬิกามันปลุกเร็วจังแล้วก็มาถึงวัดนะี่ยังสลึมสลืออยากนอนต่อดูใช้ความพยายามตั้งหลายชั่วโมงนะเพื่อจะมาฟังธรรมแต่พอมาถึงแล้วอยากไปนอนนะรู้ทันความรู้สึกใจท้อแท้ไม่อยากฟังเทศรู้ว่าท้อแท้เนี่ยเช้าๆหน้าหนาวเนี่ยนะที่นอนไม่มีแรงดึงถูดเยอะอากาศชักเย็นเย็นมีความสุขรู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอก หัวเระหน้าตาแป้นแลนดไม่รู้สึกหรอกนะแค่รู้สึกนะแค่รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆรู้ไปบ่อยๆจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้โลภโกรดหลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหูก็รู้นะความรู้สึกนานาชนิดหมุนเข้ามาในใจเราไม่ใช่ห้ามมันแค่รู้ทันความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจหัดรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตตรงๆตัวจิตตรงๆพราะเรายังไม่เห็นหรอ จิตแท้ทำแท้ไมไปปรากฏตอนที่เกิดอริยมรรคพวกเราตอนนี้ต้องดูจิตตสังขารไปก่อนจิตตสังขารก็ดูความปรุงของจิตเราดูจิตตรงๆไม่ได้เพราะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนให้ดูเราก็อาศัยจิตตสังขารอาศัยความปรุงของจิตนี่แหละมาทำให้เห็นว่าจิตมีอยู่แล้วจิตเกิดดับเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้นี่จิตตรงนี้โกรธพอรู้ทันนะปุ๊บ จิตที่โกรธก็ดับกลายเป็นจิตที่รู้แล้วก็เห็นเออจิตมันมี2งานนะเมื่อกี้มันโกรธตอนนี้มันไม่โกรธจิตมันโลภขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้ทันก็รู้เลยเมื่อกี้โลภตอนนี้ไม่โลภจิตมี2งานนะมีโลภกับไม่โลภเนี่ยในส่วนมันจะแยกได้ว่าจิตมีหลายแบบแล้วจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับไปนะจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ชั่วเกิดแล้วก็ดับไปสุดท้ายมันก็เห็นว่าจิตนั่นเกิดดับอยู่ๆจะไปดูตัวจิตตรงๆหาไม่เจอรอก หลวงปู use, so, ่ด so, ุลเคยสอนว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอสอนอย่างนี้เลยนะหาอีกกับหนึ่งก็ไม่เจออาศัยการรู้เจตสิกอาศัย้การรู้ธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตนั่นแหละทําให้เห็นว่าจิตมันเกิดดับได้ไมนใช่แค่แก๊สหุงข้าวไม่มีสีไม่มีกลิ่นรั่วออกมาเราก็ตายฟรีเราไม่รู้หรอกเราก็ต้องเติมกลิ่นเข้าไปนะให้มันเหม็นเรั่วออกมาเราจะได้สังเกตได้ว่านี่แก๊สในถังนี้รั่วแล้เหม็นออกมาละะ เราเห็นจิตตรงๆไม่ได้เหมือนเราเห็นแก๊สในถังแก๊สไม่ได้นะแต่อาศัยเจตสิกอาศัยสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยทำให้รู้ว่าตอนนี้มีจิตเกิดขึ้นมาตอนเนี้จิตนี้ดับไปแล้วอาศัยการรู้ความสุขความทุกข์อาศัยการรู้กุศลอกุศลนั่นแหละนะตรงนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมานะอย่างท่านสอนจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาไม่ได้ไปดูตัวจิตตรงๆ ไปดูจิตผ่านราคะทสาโมหะไปดูผ่านความสุขความทุกข์นะตรงที่หลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดูลดูจิตก็สอนแบบเดียวกันท่านบอกว่าสัพเพสังขารสัพพัญญานิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ดูสังขารดูสัญญาสังขารกับสัญญาก็เป็นเจตสิกเจตสิกมีสามัญนะมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ มีสัญญาความจําได้หมายรู้มีสังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายงั้นเราอาศัยการรู้เจตสิกสามอย่างนี้แหละจะทําให้เห็นจิตมันเกิดดับได้แต่ว่าหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูเนี่ยมุ่งมาที่ตัวสังขารกับสัญญาสังขารกับสัญญาดูยังไงจิตโลภขึ้นมารู้ว่าโลภนะจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธจิตหลงไปรู้ว่าหลงแล้วมันมีสัญญาเข้าไปหมายนะตามองเห็นรูปเนี่ยสัญญาเข้าไปหมายก่อนว่ารูปนี้คืออะไรรูปนี้คือเป็นดอกไม้สวยงามนี่ มีการเข้าไปหมายรู้สัญญาเข้าไปทำงานก่อนสังขารก็ปรุงขึ้นมาตามสัญญาโอ้ oh, สวยเหอรอผู้ใจก็ชอบเกิดราคะขึ้นมามองเห็นอะไรอย่างหนึ่งวิ่งเข้ามามองลงไปสัญญาเข้าไปหมายรู้นี่มาบ้าวิ่งมาสังขารก็ปรุงเลยจิตมันกลัวรู้ว่ากลัวสุดท้ายท่านก็เห็นเลยว่าจิตนั้นเกิดได้ดับได้นะเกิดแล้วก็ดับจิตที่กลัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่สุขเกิดแล้วดับจิตที่ของหลวงปู่ดุลท่านจะดูแค่ตัวสังขารนะ ถ้าดูเต็มยศที่มีสุขทุกข์คือมีตัวเวทนาเข้าไปด้วยหลวงปู่ดูลบารมีมากดูนิดเดียวเท่านั้นก็ได้ละในบางท่านดูมาถึงสเวทนาด้วยนะดูสังขารด้วยอะไรเงี้ยรวมความก็คือดูสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตทําให้รู้ว่าจิตมีอยู่ทําให้รู้ว่าจิตเกิดขึ้นรู้ว่าจิตตั้งอยู่รู้ว่าจิตดับไปอาศัยการรู้ผ่านเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตนั่นแหละนี่เรียกว่าการดูจิตนะเมื่อดูมากเข้ามากเข้าจะ เ, าเห็นอะไร ก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่เฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดั บ, จ, ดดดบจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหู่เกิดแล้วก็ดับเมื่อเห็นซ้ำเห็นซากนะเห็นแล้วเห็นอีกทุกวันทุกวันเห็นไป7วัน7เดือน7ปีเห็นมันอยู่อย่างเนี้ยสุดท้ายจิตมันจะยอมรับความจรงิงจะปิ๊งขึ้นมานะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแน่นอนเลยไม่มีตัวเราแน่นอน เนี่ยต้องเห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจะเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าไปนั่งคิดคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนานั่งคิดเอาเป็นวิตกวิตกเพวตรึกเอาวิตกวิจารณ์ต ร, ตรองเอาวิปัสสนาเพราะว่าการเห็นตามความเป็นจริงงั้นเรามาฝึกฝนตัวเองทุกวันทุกวั น, นคอยดูความจริงของกายของใจไปนะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้มาดูไกลนะอย่างพวกเราที่ดูไกลเนี่ยไม่ใช่เดินปัญญาหรอก เข้ามาพักจิตให้จิตมีแรงขึ้นมาดูของหยาบหน่อยพอจิตมีแรงก็กลับไปดูจิตได้หรือบางคนดูกายยังไม่รู้เรื่องนะก็ทำความสงบให้พุทโธพุทโธไปนะหรือหาหนังสือธรรมะมาอ่านเปิดซีดีหลวงพ่อประโมทฟังฟังแล้วสบายใจจิตก็สงบพะจิตสบายใจนะจิตมีความสุขก็มีความสงบขึ้นมาดูจิตต่อได้แล้วรู้ทันว่าจิตมีความสุขรู้ทันว่าจิตกำลังสงบอยู่ความสุขนัเป็นตัวเวทนาความสงบเป็นตัวสังขาร เนี่ยก็ดูเมตนาดูสังขารเรื่อยไปดูความปรุงของจิตเรื่อยไปง่ายนะไม่ยากอะไรหรอกลองอดทนภากเพียนดูดูไปเรื่อยมีคนส่งกันบ้านยอะแยะเลยเมื่อวานก็มีว่ามาหัดดูดูนะเห็นร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่ก็ดูดีแล้วที่เห็นนะถ้าตำพังเห็นร่างกายยังเป็นเราอยู่ก็ยังอีกนานหน่อยถ้าเราสึกร่างกายก็ไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรากิเลสก็ไม่ใช่เรา เป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาหมดเลยฝึกอย่างนี้ก็ได้ก็ดีละ่ะค่อยๆฝึกไปวันหนึ่งก็จเห็นตัวจิตก็ไม่ใช่เราตัวสุดท้ายเลยถ้าวันใดที่เห็น ว, ว่าตัวจิตไม่ใช่เรานะในโลกนี้จะไม่มีเราอีกละลําพังเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราอันนี้ง่ายที่สุดเลยนะลำพังเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลนากุศลไม่ใช่เราอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยกว่าจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจิตต้องสรุปเอาเองเลยเป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงเลยเป็นนึกไม่ถึงบางคนน่ะจิตอุทานเลยนะ จิตอุทานเลยว่าเอ๊ะจิตมันไม่ใช่เราเนี่ยจิตมันอุทานด้วยความประหลาดใจมันนึกไม่ถึงนี่ธรรมะมันของนึกไม่ถึงเลยนะบางอย่างไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยพอนาไปเรื่อยเกิดรู้ขึ้นมานอาศัศจรย์จริงๆเลยค่อยๆฝึกนะไม่ยากอะไรหรอกเอาวันนี้ไปทานข้าวได้แล้ว